ไอ้ีหลวพ่อไปเทสหมอสทอแล้วมีคนยกไอ้แผ่นอย่างเี้ยมาถ่ายรูปมกล้องมันใหญ่นะเนยไม่ใช่กล้องอันตั้งแผ่นตั้งแค่นี้จะถ่ายเ็าถ่ายได้แล้วเดี๋ยวหยุดได้แล้ววันนี้เรามาพบกันนะในงานศพก็เป็นโอกาสของการฟังธรรม ชาวพุทธเราก็ไม่ปล่อยชีวิตให้ร่วงเลยไปเปลเา่าๆหน้าที่ของชาวพุทธก็ต้องศึกษาธรรมะมาพบกันในโอกาสงานศพก็ต้องพูดธรรมะกันแล่ธรรมะจะเป็นเครื่องสอดถอนความเศร้าโศกออกจากจิตใจเป็คนที่เรารักตายจิตใจเราเศร้าโศกเป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้ ใจก็กลัวตายเพราะเราไม่มั่นใจว่าตายแล้วชีวิตจะเป็นยังไงชีวิตหลังความตายมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะแต่กลัวไว้ก่อนกลัวไม่มีนั่นแหละถ้ามีก็กลัวไม่ดีถ้าเราเตรียมความพร้อมพัฒนาจิตใจของเราให้ดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสะสมไปเราไม่กลัวความตายความตายไม่ได้น่ากลัวอะไรนะ มันน่ากลัวสำหรับคนซึ่งไม่มั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองถ้ามั่นใจในคุณงามความดีของตัวเองแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเล ย, ลยเราจะเผชิญความตายด้วยความองอาจกล้าหาญในสวยของคนแต่ละคนที่จะตายก็ต้องเตรียมความพร้อมพวกเราญาติมิตรลูกหลานก็ต้องเตรียมความพร้อมบางคนก็ร้องโหมร้องไห้ เสียอกเสียใจทำไมต้องเสียใจไม่อยากให้ตายก็เลยคิดว่าความตายของคนที่เรารักนี่ทำให้เราเศร้าโศกความจริงความตายของใครก็ไม่ได้ทําให้เราต้องเป็นทุกข์นะเราเป็นทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงว่าเขาต้องตายเราอยากให้เขาอยู่นานๆเราทุกข์เพราะความอยากของเราเองไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาตายะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะคนที่เรารักตายมันก็คือสภาวะธรรมดา ยังไงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากไม่พลัดพรากเราไม่พลัดพรากจากเขาเขาไม่พลัดพรากจากเราก็ราะเรีกันข้างหนึ่งยังไงก็ต้องพลัดพรากจากกันตายพร้อมๆกันก็ยังพลัดพรากจากกันอีกถ้าเข้าใจความจริงของชีวิตเกิดมายังไงเราก็หนีความตายไม่พ้นหนีความพลัดพรากจากคนที่เรารักไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเราไม่ยอมรับความจริงไม่ได้เราก็มีความทุกข์ ยังยอมรับว่าตายอยอมรับไม่ได้พมีความตายเกิดขึ้นเราก็ทุกข์ใจเราอยากอยากให้เขาไม่ตายเพราเขาตายแล้วเราก็ทุกข์อยากให้ฟื้นก็ไม่หยอมฟื้นก็ทุกข์อีกเงั้นเราจริงๆเราทุกข์เพราะความอยากของเราเองไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเขาตายหรอกงั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ข้ามพ้นความอยากไปไม่เฉพาะอยากเรื่อง ให้คนตายแล้วฟื้นหรืออยากให้คนไม่ตายอยากอะไรก็ตามเธอความอยากอะไรเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีแหละนี่จะห้ามใจไม่ให้อยากมันห้ามไม่ได้เราต้องมาพัฒนาใจของเราให้มันฉลาดทำไมใจเรามีความอยากมันหวังว่ามันจะได้สิ่งที่ดีๆหวังว่าจะไม่พลัดหลากจากสิ่งที่ดีๆมันมีความอยากมีความหวังอยู่อย่างนี้ห้ามมันไม่ได้ แต่ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงนะของชีวิตชีวิตเราไม่ใช่ของดีของวิเศษใดนักหรอกร่างกายจิตใจที่ประกอบกันเป็นตัวเราอะนะคนตายเขาก็แสดงให้เห็นนะว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปเราเองวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปร่างกายนี้ที่เรารักเราหวงแขนเนยยังหนุ่มยางสาวเราเพราะว่ามันดนะีพออยู่ไปนานนานนี่เ ร, รู้เลยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในร่างกายเราถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่คนไม่มีปัญญาก็อมองไม่เห็น มันทุกยังไงเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะเดี๋ยวก็อยากน้นเดี๋ยวก็อยา่างนี้นานๆก็ป่วยหนักๆสั ก, กสทีหนึ่งถ้าเรามีสติมีปัญญาเรารู้ลงในร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์อย่างคนไม่สบายนะก็มีความทุกข์เยอะเราอยากให้ญาติของเราไม่ตายเนี่ยเขาไม่สบายมาตั้งนานแนละ้วเราอยากให้เขาทุกข์นานๆหรือเปล่า เราอยากให้เขาอยู่อย่างเดียวนะไม่อยากให้เขาทุกข์นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เป็นความอยากที่ขัดกับความจริงนะแล้วเขาไม่สบายเขาอยู่นานเขายิ่งทุกข์มากเลยเนะี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราก็จะไม่ ก, งลลกังวงหรอกเขาตายก็สมควรตายนะละหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่บวชนะตอนเตี่ยของหลวงพ่อตายนะมีทำโครงเต๊กเลยหลวงพ่อชอบที่สุดเลยเรื่องทำโครงเต๊กเนี่ยมันมากเลยเสียดายเขาไม่นิมนต์มาดูกครงเต๊ก ตายแทนที่เราจะเศร้าโศกนะจิตมันร่าเริงนะจิตใจมันริ่าเริงแล้วยอมรับความจริงหรือว่าวันหนึ่งเขาต้องตายแต่เขาอยู่แล้วเขาทรมานมากกว่าเขาตายนี่บางทีมันก็เป็นความความเห็นแก่ตัวของเรานะเราพยายามยื้อคนที่ป่วยหนักๆัะไม่ให้ตายนะเรากลัวความทลัดพรากถ้าเราเมตตาสงสารเขาบางทีก็ต้องปล่อยให้เขาตายนะตามธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย ไอ้ปั๊มเปิมม า, มากมากทรมานมากเเหนื่อยเหนื่อยทุกฝ่ายเราก็รุ้นไม่ให้เข้าตายสุดท้ายก็ตายอยู่ที่ใจเรานะใจเราคอยเรียนรู้ความจริงลงไปชีวิตไม่ใช่ของวิเศษวิโสอะไรที่จะต้องหวงแหนมากมายชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรารู้สึกนะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายมีแต่ความทุกข์มาคอยดูจิต ด, ดูใจของเราใจเราไม่เคยเต็มอิ่มเลย ใจเราก็มีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าวันหนึ่งความอยากเกิดขึ้นตั้งมากมายความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีไปสังเกตดูนะสังเกตดูว่าจริงหรือไม่จริงว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันจะตามมานะถ้าคนที่สติปัญญาไม่มากพอก็คิดว่าถ้าอยากนะยังไม่ทุกต้องไม่สมอยากก่อนถึงจะทุกนะแต่ถ้าคนมีสติมีปัญญามากขึ้นหัดภาวนา ของจริงในจิตในใจของตนเองจะรู้เลยทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นจิตมีความเครียดเกิดขึ้นแล้วนันจะทุกข์แล้อยากแล้วมันก็รุนใช่ไหมว่าจะได้อย่างอยากไหมนี่นเรามาเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเรานะถ้าจะเห็นได้ใจนี้เต็มไปด้วยความอยากงั้นใจนี้ก็เต็มไปด้วยความทุกข์มื้นทั้งกายทั้งใจที่ประกอบเป็นคนนะประกอบเป็นสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยมันเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยนะเรามาคอยรู้คอยดูอยู่เนะนี่บเป็นวิธีปฏิบัติธรรม การปฏิบัตทิทำไม่ใช่เรื่องอะไรที่ลึกลับไม่ใช่เรื่องการเป็นนั่งหลับหูหลับตาอะไรมากมายนะทาสมาธิ í, ทําไปเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทำนะทาพอให้จิตใจมีเรี่วยวมีแรงพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องมาดูความจริงของร่างกายมาดูความจริงของจิตใจความจริงของร่างกายร่างกายมีแต่ความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยนะความจริงของจิตใจก็คือมีความทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปรู้ลงไปแล้วเราจะรู้เลยว่า สิ่งที่ดำรงชีวิตอยู่นี่ไม่มีอะไรอะนอกจากตัวทุกข์ดังนั้นถ้าพวกเราเห็นได้อย่างนี้นะเราจะไม่กลัวตายสิ่งที่จะตายสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือตัวทุกข์นะ mm hmm. เวลาจะตายก็คือตัวทุกข์มันจะตายมันไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะตายเราจะเห็นว่าตัวทุกข์มันจะตายถ้าตัวทุกข์มันจะตายเราจะไปกรุ๊ปใจทาไมพระอรหันะาหานะเวลาถึงวันจะตายเนี่ยจะพองใสมากเลยนะจะผองใสเป็นพิเศษเลย พรตัวทุกข์มันกำลังจะตายแะสมน้ําหน้ามันนะเนี่ยเจตใจห้าวหานเหมือนนักรบนะที่กล้าหานมากๆได้ยินเสียงกลองสึกแล้วคึกครับไม่ใจฝ่อใจฝ่อนะอย่างพวกเราหลายคนเลยใจฝ่อเคยเห็นไหมคนจะตายร้องไห้ไม่อยากตายไม่อยากตายนะหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งนะไม่อยากตายไม่อยากตายสุดท้ายไม่ตายนะ <c oughs> คนที่เขามีหูมีตาเ้าบอกว่ามันไม่ยอมไปไหนเลย เฝ้าศพอยู่เลนะหวังว่าวันหนึ่งจะมีหมอมารักษาให้มันฟื้นได้อีกพยายามจะนอนลงไปทับศพนะพยายามกะว่าวถ้านอนลงไปพอดีมันจะลุกขึ้นมาได้คืนมันลุกขึ้นมานะไอ้คนที่ร้องไห้รักมันอยู่นะมันจะวิ่งหนีหมดสลาเลยมันไม่รักจริงหรอกเนี่ยถ้าลุกขึ้นมาเอาไหมรักนักหนาก็เคยมาไม่เอาละไปหัวซุยเถอะไปนะ ก็ามาเรียนรู้นะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วเราไม่กลัวตายเราไม่ไม่เศ ร, ร้าโศกกพรความตายแต่รู้เลยว่าเราเศร้าโศกเห็นคนตายคนที่รักตายเศ ร, ร้าโศกเพราะว่าใจเราอยากนะนะั่นแหละอยากให้เขาอยู่อยากให้เขามีชีวิตอยู่นานๆอยากให้เขาไม่ตายอะไรนั้นะเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาใครๆมันก็ตายทั้งนั้นนะถ้านะนะเข้าใจนี้มันก็ไม่กลัวแล้วนะ คนที่เรารักจะตายมันก็เรื่องธรรมดาตัวเราจะตายก็เรื่องธรรมดาเพราะตัวเรานะมีแต่ตัวทุกข์นะตัวทุกข์จะตายเปเสียดายทำไมนะงั้นอยู่ที่สติปัญญานะาจะทําให้เราทนทุกข์ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ใครอื่นหรอกจะอยู่หวังว่าคนที่เรารักจะอยู่กับเราตลอดไปเราถึงจะไม่ทุกข์นี่หวังไม่ได้ไม่จากตายก็จากเป็นยังไงก็จาก งั้เราฝึกฝนใจของเราไปเรื่อยเราไปใจเรามีความสุขนะนี่บางคนตายแล้วก็ตายดีนะบางคนตายก็ตายไม่ดีอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันมึงคนตายดีมันเกิดเป็นมนุษย์นะ่ะเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นลมถ้าดีมากๆนะเลยดีขึ้นไปไม่เกิดอีกนะถ้าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เป็นลมเนี่ยไม่ใช่ฟลุกในศาสนาพุทธไม่มีคําว่าฟลุกเลยนะ เราจะเกิดเป็นคนมันก็ต้องมีเหตุของความเป็นคนจะเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมีเหตุของความเป็นเทวดานะจะเกิดเป็นเป็นมนุษ ย, นนย์ก็ต้องมีเหตุของความเป็นมนุษย์นะทุกอย่างมีเหตุหมดเลยอย่างพวกเราได้ร่างกายได้ อ, อัต ภ, ภาพได้จิตใจเป็นมนุษย์เนะี่ยเพราะเราเคยรักษาศีลห้ามาแล้วนะถ้าเราไม่มีศีลเนไม่ได้มาเป็นคนอย่างนี้หรอกนี้ทาไมบางคนมันทุศีลมันเยทาความดีด้วยทาความชั่วด้วย ในความดีให้ผลมามีเคยมีศีลมีธรรมนะมาเกิดเป็นคนความคุ้นเคยในความชั่วมตามมาหญิงเป็นคนชั่วๆเอาแน่เอนอนไม่ได้นี่ถ้าพวกเราอย่างน้อยพวกเรามีศีลห้าไวนะ้มันก็เป็นหลักประกันอันหนึ่งว่าเรามีโอกาสจะกลับมาเป็นคนอีกงั้นถ้าเรากลัวนะกลัวอนาคตว่าหลังความตายเราไม่ดีเราก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะตายอย่างน้อยรักษาศีล5้าไว้ก่อนนะชีวิตก็จะปลอดภัยตั้งเยอะละ จะให้ปลอดภัยมากกว่านั้นก็อาจจะรักษาศีลแปดนะจะปฏิบัติธรรมบ้างอะไรบ้างนะพัฒนาจิตใจขึ้นไปมีสติคอยรู้กา ย, ยรู้ใจของตัวเองไปพอนะสติเกิดบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดมาเรารู้ทันถ้กิเลสเกิดมาเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยเราจะละอายแก่ใจเล ย, ยกิเลสนี่เป็นของไม่ดีเลยกิเลสจะเกิดเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยนะมันน่าอายนะกิเลสเป็นของไม่ดีมันคอยโผล่ขึ้นมารบกวนใจของเราเรื่อยๆ พ อ, อกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกน่าอายนะละอายแก่ใจอย่างนี้เรียกมีหิรูมีหัวตรัสถานะเราเพื่อกลัวผลของการทําชั่วละอายที่จะทําชั่วกลัวผลของการทําชั่วเนี่ยแล้วเราก็รักษาศีลได้ประณีตมากกว่าคนทั่วๆไปเพราะเรามีสติมีปัญญามากกว่าคนทั่วไปไม่ใช่แค่รักษาศีลห้าเรารู้ทันจิตรู้ทันใจของเราเวลาความชั่วเกิดเนี่ยเรารู้เลยมันมันน่าอาย แลวเวลาจิตใจเราไปทําชั่วทีไรนะจะมีผลเป็นทุกข์ตามมาทุกทีเลยอย่างเวลาเราโกรธแรงแรงสังเกตไหมหลังจากโกรธแรงแรงจิตเราไม่ดีหรอกจิตเราไม่สบายนะไม่มีความสุขไปอีกช่วงหนึ่งเลยเวลามีราค้าแรงแรงจิตเราก็ไม่สบายนะราค้าหายไปแล้วจิตก็ยังเศร้าหมองจิตยังฟุ้งซ่านอีกช่วงหนึ่งมันมีผลของความชั่วเสมอนะจิตมีกิเลสรุนแรงนะผลของความชั่วนั้นก็แรงไปด้วยจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสบาย เนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาเรียนรู้เข้ามาในจิตในใจนะเราจะละอายที่จะทําบาสนะเราจะเกรงกลัวผลของความทําบาปนะถ้าถ้าจิตใจของเราพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้ตายไปเป็นเทวดาได้นะเป็นเทวดาเทวดามีหกชั้นเป็นชั้นชั้นชั้นไปนะข้างหลังหลวงพ่อก็อาจจะอยู่ชั้นที่2ก็ได้ใครจะรู้นะความจริงควรจะอยู่ชั้นที่1อึ่งอะไรเงี้ยนะอ แต่มีบุญในวาระสุดท้ายมีบุญมาหนุนส่ง็ได้บุญแรงขึ้นขึ้นไปชั้นที่สองอะไรเนี้ยเป็นไปได้ถ้าคกูสอให้ผลก็ตกนรกอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะถ้ า, ากรูสอให้ผลนก็ไปดีขึ้นงั้นถ้าเรามีศีล น, นะเราก็ได้เป็นมนุษย์เนยศีลห้านี่แหละเป็นสมบัติที่จะทำให้เราเป็นมนุษย์ถ้าเรามีหิริโอตตาป่านะเรียกว่าเทวธรรมหิริโอตตาป่าหิริความ ละอายใจที่จะทําชั่วโอษฐป่าเกรงกลัวผลของการทําชั่วบางคนนะทั้งไม่ละอายทั้งไม่กลัวนะบางคนไม่ละอายแต่ทําแล้วกลัวทีหลังอะไรนีนะ้แต่ถ้าเราทั้งละอายทั้งกลัวผลของบาปนะเราก็จะได้เป็นเทวดานะเป็นเทวดาง่ายขึ้นเรามีธรรมะของเทวดาเทวดาไม่ช่้โมโหนะเทวดาโมโหเมื่อไหร่ก็จะตายอายุสั้น เทวดาก็ต้องไม่หลงเพลินนทรัพย์สมบัติมากมีความสุขมากมัวแต่เล่นมัวแต่เพลิ น, นะลืมกินข้าวนะลืมกินอาหารลืมพักผ่อนตายเหมือนกันนะเทวดาก็กินอาหารนะไม่ใช่ไม่กินเอนี่อบรมเทวดาบ้างนะเต่จะว่าอบรมแต่มนุษย์ะ <c oughs> งั้นเต็มเป็นเทวดาก็ต้องไม่ประมาท น, <c oughs> นี้ถ้าเรามาพัฒนาใจต่อไปอีกนะได้ฌานสมบัติไปเนี่ยก็ไปเป็นพรหม คุณสมบัติของปลอมนะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะใจยังมีเมตตาเมตตาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดใจเมตตาเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรกับคนอื่นเป็นมิตรกับสิ่งอื่นคําว่าเมตตาคําว่ามิตรคําว่าไมตรนะีความหมายแบบเดียวกันนะงั้นถ้าใจาเจริญเมตตาเนาะมองคนอื่นด้วยความรู้สึกเป็นมิตรเนี้ยเนะี่ยใจของเราเตรียมตัวเป็นพลอมได้นะ ใจเรามีกรุณาเห็นใครตกทุกข์ได้ยากนะสงสารอยากช่วยเหลือพยายามช่วยเหลือเรื่องนี้ก็ไปเป็นปรมได้เห็นเขามีความสุขก็ดีใจกับเขาด้วยไม่ใช่อิจฉาอิจฉาเป็นพรมไม่ได้นะถ้าเห็นใครก็ดีก็ดีใจกับเขาด้วยก็เป็นปรมได้แล้วก็เห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็ดีเห็นเขาดีก็ดีนะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลางไม่แกว่งขึ้นแข่งลงมีอุเบกขาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็มีอุเบกขานะ นี้ก็เป็นรลมไดคมนะ้คุณสมบัตินะคุณธรรมของผลมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเคยได้ยินไหมมุทิตาเนี่ยฟังยากเคยได้ยินคำว่าอนุโมทนาไหมอนุโมทนาแปลว่าอะไรให้ผ่อนหรือไม่ใช่อนุนแปลว่าตามนะอนุภรรยาแปลว่าภรยาที่ตามมาทีหลังนะอนุชาน้องชายคนเกิดทีหลังนะอนุโมทนาโมทนาตัวนี้แหละแปลว่าปล่อยยินดีด้วย ใจยินดีกับเขาด้วยงั้นท่าใจของเรานะมีความเมตตามีความสงสารคนอื่นสัตว์อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากนะยินดีกับคนที่เขามีความสุขเขามีความดนะีแล้วก็ถ้าช่วยอะไรเขาไม่ได้นะเข้อุเบกขาเนะมีอุเบกขากากับใจอยู่เลยถ้าเตรียมใจได้อย่างนี้นะเราก็มีโอกาสไปเป็นพรหมนะอย่างน้อยก็ เ, เป็นอย่างต่ําๆนะต่ําสุดเลยชื่อพรหมปาลิสัชชานะ เป็นพรหมบริวารับพรหมก็มีหลายชั้นนะแบ่งกันเป็นโกโก็กระนะแต่ไม่ตีกันใครรู้บ้างว่าพรหมใส่เสื้อสีอะไรสีเหลืองสีแดงมีไหม <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนเทวดานะเทวดาสีสันเยอะพรหมไม่ค่อยเล่นสีสันหรอกพรหมเป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่แกนะเราเถ้าเราใจของเรานะเราสำรวจใจของเรานละ ตลอดชีวิต ท, ที่ผ่านมาเรารักษาศีลอย่างดีนะเราไม่กลัวตายละถ้าตายเราอย่างน้อยเราเป็นมนุษย์ได้นะถ้าใจของเราที่ผ่านมาเราละายต่อการทำบาปเกรงกลัวผลของการทำบาปนะเรารักษาศีลได้เข้มงวดกวดขันมากเลยโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับนะเพราะมะลายใจที่จะทำชั่วเนียโอกาสเป็นเทวดาก็สูงใช่ไหถ้าจิตของเราสงบนะยิตใจเราาบเริงเบิกบานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ออไขใจเป็นลม เนี่ยถ้าใจของเราพร้อมเราสํารวจใจของเราพร้อมอย่างนี้นะไม่มีอะไรนะ่ากลัวเลยสําหรับความตายทำไมคนกลัวตายมันกลัวความไม่แน่นอนหรอนะถ้าเรารู้ว่าโอ้โอกาสของเราดีกว่าเก่าอีกนะไม่กลัวหรอกนะใครกลัวตายบ้างใครไม่กลัวไม่กลัวโกหกนะพระพุทธเจ้าบอกสัตว์ไม่กลัวตายไม่เมียเ <laughs> งั้นเราหัดภาวนานะหัด สร้างคุณงามความดีทุกๆอย่างนะทำทานรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของธาตุของขันนะฝึกไปเรื่อยแล้วเราจะไม่กลัวตายนะถ้าฝึกได้ดีเต็มที่เหมือนครูบาอาจารย์อย่างเวลาท่านจะมรณภาพนะแต่ละองค์นะจะผ่องใสผิดปกติเลยนะทั้งที่กาลังป่วยหนักนะกับสดใสงดงามร่าเรองมากเลยนึกไม่ถึงนะี บางคนก็เห็นครูบาอาจารย์ผ่องใสมากดีใจว่าท่านจะหายป่วยแล้วบางทีท่านจะตายแล้วเนีพอไหวไหมฝังเราต้องทํานะฝังเล่นๆไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกงั้นเอาแค่นี้ก็แล้วกันเนาะฟังมากเดี๋ยวไม่ยอมทํำนะ <c oughs> รักษาสี่ท่านะอตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะรักษาศีลเ่าละเท่านี้ก็แล้วกั น, นะ